ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยาสังหาอัศกถาพระตารีบุตรมหาเถระชาวศรีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาขโมกแแปลเรื่องที่สามสิบสี่พกกินกะวินิจฉญกถากถ า, าวิจิัยว่าด้วยเรื่องเบ็ะเตล็ดต่อ จีวรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้หกชนิดตามพระบาลีที่อนุญาตไว้ว่าดูก่อนปิกษุทั้งหลายเราอนุญาตจีวรหกชนิดมีผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้ากำพลผ้าปานผ้าทั้งห้าอย่างคละกันอย่างนี้จีวร อ, อื่นอีกหกชนิดที่อนุโลมจีวรเหล่านั้นก็คือผ้าทุกุละผ้าแขวนปาตุนณนะ ผ้าเมืองจีนผ้าแคว้นโสมาระผ้าสำเร็จด้วยฤทธิ์ผ้าเทวดาให้เทวดาให้ก็เทวทัตโตดี๋ยวนี้ก็ใช้ผ้ามิสเลนผ้าฝ้ายผ้าทางวิทยาศาสตร์ทอเยอะะเลยใช้ได้ทั้งนั้นนะนะอนุโลมพระธรรมสังฆาภิกาเถระทั้งหลายอนุญาตแล้วมี้ก็ผ้าอนุโลม บรรดาผ้าเหล่านั้นผ้าปัตตุลนะนั้นได้แก่ผ้าที่เกิดด้วยไหมในปัตตุลนะประเทศผ้าสอชนิดเรียกตามชื่อของประเทศนั่นเองก็คือผ้าเมืองจีนกับผ้าปัตตุลนะผ้าแวรสโสมาระผ้าสามชนิดนั้นอนุโลมผ้าไหมผ้าทุกกุละอนุโลมผ้าปานผ้าสามชนิดก็คือผ้าปัตตุลนะผ้าเมืองจีนผ้าแวรสโตมาระนี่ก็อนุโลมผ้าไหมส่วนผ้าทุกุละ อนุโลมผ้าปานนอกจากนี้สองชนิดอนุโลมผ้าฝ้าหรือผ้าทุกอย่างก็คือผ้าที่สําเร็จยุริศกับเทวดาให้ผ้าที่เทวดาให้ก็อนุโลมเป็นผ้าฝ้าหรือว่าผ้าสําเร็จที่ของที่เจือกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามบาตรสิบเอ็ดอย่างอนุญาตบาตรสองอย่างก็คือบาตรเด็กกับบาตดินอนุญาตบาตเด็กกับบาตดินสมัยนี้ก็ใช้บาต ตะแตนเหล็กตะแตนเหล็กก็คือบัลเหล็กนั่นเองแต่ผสมสารตะนเหล็กตะแเหล็กเรียกว่าเป็นตะแตเหล็กภาชนะสามอย่างคือภาชนะเหล็กภาชนะดินภาชนะทองแดงอนุโลมแก่บาสนั้นแหละก็ใช้ได้เหมือนกันเหล็กดินทองแดงใช้ได้แต่ว่าถ้าเป็นบาตทองแดงนี่ห้ามใช้บาตสิบเอ็ดอย่างนี่ห้ามใช้ก็บาตที่สําเร็จด้วยแก้วมณีด้วยเงินด้วยอะไรต่างๆนี่เครื่องประดับแก้วหุงแก้วกระพัน์ บาดไม้ก็ห้ามเหมือนกันใช้ได้บาดดินกับผันเหล็กแต่ถ้าเป็นภาชนะก็พภาชนะเหล็กภาชนะดินภาชนะทองแดงนี่ก็อนุญาตอนุโลมใช้ได้ถ้าบาดนี่บาดนี่มีสามขนาดขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแต่ละขนาดแต่ขนาดก็ยังแบ่งออกเป็นสามขนาดก็เป็นใหญ่อย่างใหญ่ใหญ่อย่างกลาง yes. ใหญ่อย่างเล็กกลางอย่างใหญ่กลางอย่างกลางกลางอย่างเล็กเล็กอย่างใหญ่เล็กอย่างกลางเล็กอย่างเล็กอันนี้ก็มีวิธีการเทียบ บาตที่เหมาะสมในบรรดาบาตรเก้าชนิดนี้ก็ใช้ได้เจ็ดชนิดเท่านั้นก็คือบาตรขนาดใหญ่อย่างใหญ่กับบาตรขนาดเล็กอย่างเล็กไม่ถือว่าเป็นบาตรเมื่อไม่ถือว่าเป็นบาตรก็อธิษฐานนิขึ้นเมื่ออธิษฐานนิขึ้นใช้เป็นภาชนะได้เพราะฉะนั้นถ้าภาชนะอย่างนั้นจะใช้รับอาหารบิณฑบาตแล้วก็ล้นภูนขอบปากบาตรมาก็ไม่เนาบดั้นไม่เป็นอบดั้ ไม่ได้อาิฐานก็ไม่ได้เป็นอบัติเพราะว่าไม่ใช่บาตเป็นภาชนะไปกระติกน้ําพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตไว้สามอย่างก็คือกระติกโลหะกระติกไม้กระติกผลไม้ภาชนะน้ำสามอย่างคือคนโถน้ําขันทองหม้อตักน้ําอันดุลมเข้ากับกระติกน้ำสามอย่างนั่นแหละขันทองด้วยนะแต่ว่าใช้วิ็นของส่วนตัวไม่ได้นี่ต้องใช้วิของเซนทชนะถ้าเป็นพวกทองพวกอะไรตรงนี้นะ แต่ในกรุนทีแก้ว่าสังสําหรับใส่น้ําฉันและขันน้ําอนุโลมแก่กระติกเหล่านั้นขันทองนี้น่าจะเป็นขันน้ํานะเพราะว่าขันทองนี้เหมาะสมกับพระพุแล้วล่ะคนทวน้ําขันน้ําแล้วก็หม้อตักน้ําอนุโลมเข้ากับกระติกน้ำสามอย่างอนุโลมกติกน้ำสามอย่างคืออะไรโดยเป็นกระติกโลหะกระติกไม้แล้วก็กระติกผลไม้เนี่ย ผลไม้ก็ได้แก่อะไรพวกน้ำเต้าันั้นพวกคนโทพวกขันพวกหมอต่างๆ น, นี่ก็ควรอารมณ์เข้าติดสามอย่างนั้นก็ถือเป็นไม้ก็ได้เป็นโลหะก็ได้เป็นผลไม้ก็ได้ขันก็ทำจ็นผลไม้ได้เอาพกกะลาพวกอะไรพวกนี้มาทำประคตเอวทรงอนุญาตไว้สองชนิดคือประคตทอเป็นแผ่นแล้วก็ประคตไสทุกอน ประกตเอลที่ทำด้วยผืนผ้าและด้วยเชือกอนุโลมประกตสองชนิดนั้นร่มทรงอนุ ญ, ญาตไว้สามชนิดคือร่มขาวร่มรมแพนร่มใบไม้ร่มใบไม้ใบเดียวอนุญาตตามร่มสามชนิดนั่นเองแม้ของอื่นๆที่เข้ากับสิ่งที่ควรและไม่ควรพระวินัยทรพึงพิจารณาดูบาลีและอัตถกถาแล้วทราบตามในนี้เถิดที่นี้ท่านก็ย่อมาให้ แต่ต้องการดูละเอียดก็ไปดูตามบาลีแล้วก็อัตกถาแบบพิสดารสมันตะปาสาธิการนั่นในที่นี้ก็ย่อมาจากสมันตะปาสาธิกาแหละแต่ว่าเอามาจากมหาวัคขันธวัคจากจุลวัคขันธวัคที่เป็นขันธวัค ก, ก็คือมหาวัค ก, กับจุลวัคท่า น, นก็ย่อมาแล้วก็เอาพวกอัตกถาบาลีบุตรกะตามสิกขาบทในปาติโมกมาด้วย มาสรุปไว้ให้จะได้ศึกษาย่อๆก่อนต้องการศึกษาละเอียดก็ไปดูตามพระบาลีกับอภิคถาสมันตสาพพิกานั้นก็บุคคลที่เป็นวินัยธรย่อมได้อา น, นิสงส์ห้าอย่างอา น, นิสงส์หกอย่างอา น, นิสงเจ็ดอย่างอา น, นิสงแปดอย่างอา น, นิสงเก้าอย่างอา น, นิสงส์สิบอย่างอา น, นิสงสิบเอ็ดอย่างซึ่งมีการเรียนพระวินัยเป็นมูลถามว่าพระวินัยทรย่อมได้อา น, นิสงส์ห้าเหล่าไหนตอบว่า ย่อมได้อานิสงฆ์ห้ามีการคุ้มครองศิลขันของตนเป็นต้นสมดังคําที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้นี้ว่าดูกอนพิจตทั้งหลายอานิสง์ในวิในทอนบุคคลบุคคลผู้ทรงวิในมีห้าเหล่านี้คือศิลขันของตนเป็นอันคุ้มครองรักษาดีแล้วหนึ่งเป็นที่พึ่งของพวกพิจุผู้มักระแวงสงสัยหนึ่ง เป็นผู้แกล้งกล้าพูดในถ้ำกลางสงหนึ่งคมเหล่าชนผู้เป็นข้าสึกได้ราบคาบด้วยดีโดยศาธรรมหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระวินัยหนึ่งอันนี้ก็ได้อ่านในสงห้าข้อนี้ก่อนอย่างไรชื่อว่าศีลขันของพระวินัยทรนั้นเป็นอันคุ้มครองรักษาดีแล้วคือที่สูบบางรูปในพระธรรมวินัยนี้เมื่อต้องอาบัตย่อมต้องด้วยอาการหกอย่างคือ ด้วยความไม่ละอายหนึ่งด้วยความไม่รู้หนึ่งด้วยความสงสัยแล้วผืนทำหนึ่งด้วยความสำคัญในของที่ไม่ควรว่าควรหนึ่งด้วยความสำคัญในของที่ควรว่าไม่ควรหนึ่งด้วยความหลงลืมสติหนึ่งพิษตูย่อมต้องอบัตด้วยความไม่ละอายอย่างไรคือพิษตูรู้ว่าอกาพิยะก็คือสิ่งที่ไม่ควรฝ่าฝืนทาการล่วงละเมิดสมจริงดังพระดารัตที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้นี้ว่า ติกตุไดแกล้งต้องอาบัตปกปิดอาบัตถึงความลำเอียงก็คือเป็นผู้ที่มีอาคติติกตุเช่นนี้เราเรียกว่าอรัชีบุคคลอรัชีบุคคลนี้มีคุณลักษณะสมอย่างคือแกล้งต้องอาบัติอย่างหนึง่งปกปิดอาบัตอย่างหนึง่งแล้วก็เป็นผู้ที่มีอาคติชอบลำเอียงเป็นปกติเพราะว่าลำเอียงครัง้งสองครั้งนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เรียกว่าอรัชีแต่เป็นคนที่ลำเอียงเป็นปกติเลยนี่ก็เรียกว่าเป็นอรัชี ทิศสุดย่อมต้องอับดับด้วยความไม่รู้อย่างไรคือเพราะว่าบุคคลผู้ไม่มีความรู้เป็นผู้เเข้วเป็นผู้งมงายไม่รู้สิ่งที่ควรและสิ่งที่ไม่ควรทําคือสิ่งที่ควรทําก็ไม่รู้สิ่งที่ไม่ควรทําก็ไม่รู้ย่อมทาสิ่งที่ไม่ควรทํำทําสิ่งที่ควรทําให้ผิดทาดด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าต้องด้วยความไม่รู้บวชมาแล้วก็ไม่ศึกษาไม่ พิจารณาไม่ถามใครก็ไม่รู้อะไรแล้วก็ทําไปทําไปก็ผิดตลอดเลยก็เป็นดินพ่อขัางหมูไ ป, ไปเรื่อยๆก็มีแต่จมลงหนักลงหนักลงแล้วก็มีโอกาสไปจุอบายติสตุต้องอับัายด้วยสงสัยและฝืนถามเป็นอย่างไรคือเมื่อเกิดความสงสัยขึ้นเพราะอาศัยของที่ควรและไม่ควรฝ่าฝืนล่วงละเมิดทีเดียวสําคัญว่าถามเราวินัยทรแล้ว ถ้าเป็นกัปปิยะเป็นสิ่งที่ควรทําถ้าเป็นอกัปปิยะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแต่ที่สูนี้ฝ่าฝืนแล้วล่วงละเมิดด้วยความคิดว่าควรด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าต้องด้วยความสงสัยและฝืนทำสงสัยแล้วก็เออเดี๋ยวค่อยถามพระวิเนตรที่หลังก็แล้วกันตอนตอนนี้ก็ทำก่อนก็ต้องอบัตทุกกฎก่อนตัวหนึ่งเพราะว่าสงสัยแล้วฝืนทำแต่ว่าถ้าเกิดสงสัยในสิ่งนั้นแล้วมันผิดจริงก็ต้องอบัตตามวัตถุนั้นอีกเช่นว่า ตอนนี้เกินเที่ยงหรือยังนะเนี่ยกาลังจะฉันอาหารจะฉันก๋วยเตี๋ยวจะฉันอะไรโยมก็เอามาใ ห, ให้เลยเที่ยงหรือยังนะเอาไม่ไรฉันก่อนเหมือนกันเดี๋ยวเขาไปถามเขาอย่างนี้ต้องอบัดทุกกฎแล้วนะตัวหนึ่งสงสัยแล้วขืนฉันเข้าไปแต่ถ้าเกิดมันเลยเที่ยงแล้วตอนนั้นก็อบัดป่าจิตตีอีกหนึ่งตัวฉันอาหารในเวลาวิการถ้ายังไม่เกินเที่ยงก็ไม่ต้องอบัตเพรต้องอบัดทุกกฎสงสัยประเืนทําตัวเดียว ถ้าสงไข้เราก็ไม่ควรจะทําสิ่งนั้นควรจะไปไต่ถามให้ดีก่อนหรือว่าเป็นตัวตราให้ดีก่อนแล้วค่อยกระทําถ้ามันต้องอบดับก็ไม่ทําถ้าไม่ต้องอบดับค่อยทําพิกตุต้องด้วยความสําคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควรอย่างไรคือพิกตุฉันเนื้อหมีด้วยสําคัญว่าเนื้อสุ ก, กรฉันเนื้อเสือเหลืองนี่สําคัญว่าเนื้อมรึกฉันโภชนะที่เป็นอกัปิยะด้วยสําคัญว่าโภชนะเป็นกัปติยะ ฉันในเวลาวิการด้วยสำคัญว่าเป็นการดื่มปานะที่เป็นอักบิยะด้วยสําคัญว่าปานะเป็นกับบิยะด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าต้องเน้นความสําคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควรอันนี้ต้องโดยที่รู้ท่าไม่ถึงการเพราะว่าเข้าใจว่าควรแต่ว่ามันไม่ควรเนื้อหมีนี่ฉันไม่ได้เป็นอักบยรริยะมังสะเนื้อเตือนเหลืองก็ฉันไม่ได้เป็นอักบยิยะมังสะเข้าใจว่าเป็นเนื้อหมูเป็นเนื้อของกวางเก้งอะไรพวกนี้ อาฉันเข้าไปก็อบัดแล้วแม้จะไม่รู้ก็ต้องอบัตฉันโพชนาที่เป็นอกัปปิยะเนี่ยสำคัญว่าโพชนาเป็นกัปปิยะเช่นเนื้อดิบเนื้อเนื้อดิบก็เป็นอกัปปิยะชันไม่ได้ก็เข้าใจว่าฉันได้อันนี้ก็ฉันเข้าไปหรือว่ามันเลยวิการไปแล้วอสําคัญว่าเป็นการอยู่สําคัญผิดกับสงสัยนี้ต่างกันมันเลยเที่ยงไปแล้วก็เข้าใจว่ายังไม่เที่ยงฉันอาหารเข้าไปก็ต้องอบัตปัจจิตีแล้วแต่ว่าถ้า ไม่รู้ว่าเที่ยงหรือยังหลือยังไม่เที่ยงนี่แต่ว่าฉันก่อนก็ต้องอาบัดทุกกรดเพาสงสัยแล้วเกินทําถ้าเลยเที่ยงไปแล้วถึงอาบัดสาิจิติอีกตัวหนึ่งน้ําปะนะที่เป็นอากัปปิยะสําคัญว่าเป็นกัปปิยะอันนี้ก็ฉันเข้าไปก็มีโทษเหมือนกันเช่นพวกน้ำมหาผลทั้งหลายก็ไม่ควรฉันจัดว่าเป็นพวกอาหารน้ําปะนะที่มีกาหัวน้ำปะนะที่เป็นพวกขีระประนะขีระปนะพวกสุรานี่ก็เป็นปานะเหมือนกันก็เรียกว่าตุราปานะน้ําสุรา ว่านิมนต์ชนะปนะช่วยเอาน้ําปะนะประเภทตุราปานะมาให้หน่อยอย่างเนี้ยนะนี่ก็บัตรปฏิทีนเลยถ้าดื่มตุราประนะเข้าไปเอน้ําปะนะมีหลายชนิดขีราประนะแล้วก็พวกน้ํานมนี่ก็จะต้เป็นปานะเหมือนกันแต่ไม่ใช่อัตปนะไม่ใช่อัตปนะอะอัตปนะองงพวกน้ํามะม่วงพวกน้ําลิ้นจี่น้ำกล้วยมีเมล็ดไม่มีเมล็ดในพวกนั้นผลว่าพวกนั้นถึงจะเป็นอัตปานะแล้วก็ ปะนะอนุโลมแต่ว่าพวกน้ำปะนะที่เป็นอาหารพวกนี้ก็ฉันไม่ได้เข้าใจว่าฉันได้ก็เป็นอาบัตนี่ก็เรียกว่าสําคัญในสิ่งที่ไม่ควรเข้าใจว่าควรเทพสูย่อมต้องอาบัตด้วยความเป็นผู้มีสําคัญในสิ่งที่ควรว่าไม่ควรอย่างไรคือเทพสูฉันเนื้อสุ ก, กรด้วยสําคัญว่าเนื้อหมีความจริงแล้วเป็นสิ่งที่ควรฉันแต่สําคัญว่าไม่ควรแต่ก็ยังขืนฉันอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องอาบัตทุกกฎ สำคัญว่าไม่ควรแล้วก็ยังขืนทำสิ่งนั้นบางท่านที่เป็นสิ่งที่ควรฉันเนื้อมารึกด้วยสําคัญว่าเนื้อเสือเหลืองอันนี้เนื้อสือเหลืองัแหลออะแต่ความจริงมันเป็นเนื้อของกวางเนื้อเก้งแต่ก็ยังคืนฉันก็ไปต้องอบดับทุกกฎดิสุฉันโพชนะที่เป็นกับปิยะสําคัญว่าโพชนะที่เป็นอักับปิยะแล้วก็ยังขืนฉันฉันในการนี่สาคัญว่าเป็นวิการแล้วก็ยังคืนฉั น, นอกีน ก, ออกดื่มปานะที่เป็นกับปิยะ ด้วยสำคัญว่าปานาที่เป็นอักขบัญญัติแต่ว่ามันหิววะก็จะฉันเพราะฉะนั้นมาฉันเข้าไปก็ต้องอบดับทุกกฎอย่างเช่นฉันอาหารในการแต่สำคัญว่าเป็นวิการนะฉันในเวลาวิการไม่ต้องบัดปัญจิตีแต่ตัวเองเนะี่ยฉันในการแท้ยังไม่เลยเที่ยงแต่ก็สำคัญว่าเป็นวิการไม่เป็นไรฉันก่อเนานะหิวแล้วก็ต้องอบดับทุกกฎเท่านั้นเพราะว่ามันจะเป็นในการอยู่มันอันนี้สำคัญไม่ใช่สำคัญผิดแต่ว่า เก้าร่วงคําสําคัญเหล่านั้นก็ต้อบัดกรดเหมือนกันด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าต้องด้วยความเป็นผู้มีความสําคัญในสิ่งที่ควรว่าไม่ควรทิค ต, ต, ออตนนุต้องด้วยความหลงลืมสติอย่างไรคือทิกตุเมื่อต้องอาบัดเพราะการนอนร่วมการอยู่ปราศจากไตรจีวรและเพศัดกับจีวรร่วงการเวลาเป็นปัจจัยแล้วชื่อว่าต้องด้วยความหลงลืมสติ ตั้งบัตรภกรนอนร่วมนี่ก็อืไม่รู้นะว่ามีอนุสัมพันธหรือว่าสตรีอยู่ในที่มุงที่บางเดียวกันเนี่ยหลงลืมลืมว่ามีผู้หญิงอยู่ในที่มุงที่บางเดียวกันก็ไปนอนอบัตทันทีเลยแต่ว่าไปนอนร่วมกับอนุสัมพันธ์นี่ก็ลืมแล้วเอ๊ะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะอ น, นุญาตให้นอนได้สามคืนนี่ลงสามคืนไปเป็นนิสัยก็อบัตแล้วเท่าไหร่นะลืมไปไม่ได้นะับ นอนร่วมพอราตรีที่สี่พระมาก็นอนลระอาบัติปจิตตีอยู่ปราจากไตรจีวรนีเหมือนกันลืมอัตรจีวร อ, ออกมาอยู่กับตัวออกไปนอกกุฏิออกไปนอกบริเวณแล้วก็ไม่ได้สมมติติดกิรารวิปว่า ด, ด้วยในสีมานั้นนั้นก็หลงลืมข้ตาบัติอยู่ปราจากไตรจีวรต้งมที่สัจจญาะจิตตีเทสัตตก็เหมือนกันนับเทสัตต์ หอาเก็บไว้ฉันได้เจ็ดวันไม่ได้จดบันทึกไว้ลืม เ, เลยเจ็ดวันไปก็ต้อบัตรน้สักขยัปยิตีเอามาฉันอีกก็ต้อบัตรทุ ก, กอโลงสละกก่อนถึงจะปลงบัตรตกด้วยสําหรับเป็นสัปห์ที่เกินเจ็ดวันจีวรล่วงการก็เหมือนกันแต่เด็กจีวรเก็ไว้ได้สิบวันถ้าเกินสิบเลยต้าบัตรนิสสกยัปยิตีเหมือนกันอันนี้ก็เรียกว่าต้อบัตรเพราะหลงลืมสติ ที่สูตบางรูปในศาสนานี้ย่อมต้องอาบัติด้วยอาการหกอย่างเหล่านี้ด้วยอาการฉนิแต่พระวินัยทรไม่ต้องอาบัติด้วยอาการหกอย่างเหล่านี้นี่เป็นอนิสง์ของพระวินัยทรผู้ที่ทรงวินัยหรือว่าแม้ไม่ต้องทรงวินัยแต่ว่าศึกษาพวินัยแล้วถ้มีความเข้าใจมีความชำนิชํานาญเดี๋ยวเขาก็เรียกว่าเป็นผู้วินัยทรเองเพราะว่ามีวินัยอยู่ในใจศึกษาไปบ่อยก็ทําให้ทรงชาได้พระวินัยทรนี้ก็รู้ ในเรื่องอาการหกอย่างของการต้องอบัญา น, นี้ก็ทําให้ไม่ต้องอบัตไม่ต้องอ ბ ัติไม่ต้องโดยความเป็นผู้ละอายอย่างไรคือเพราะแม้เมื่อเธอรักษาการตําหนิข้อนขอดของผู้อื่นนี้ว่าจงดูเถิดท่านผู้เจริญทั้งหลายพิสุนี้รู้สิ่งที่ควรและไม่ควรอยู่แท้แท้ยังทําการละเมิดพระบัญญัติได้ดังนี้ไม่ต้อง โดยอาการอย่างนี้ชื่อว่าไม่ต้องด้วยความเป็นผู้ละอายสแสดงอาบัติที่เป็นเทศนาคามินีแม้ที่เถอต้องเข้าออกแล้วจากอาบัติที่เป็นวุฒิฐานคามินีก็คือพวกอาบัตสังฆาพิเสษตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์จำเดิมแต่นั้นย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในความเป็นลัทธิบุคคลสมดังที่ได้กล่าวไว้ในปริวาระว่าติจุไม่แกล้งต้องอาบัตไม่ปิดบังอาบัติและไม่ถึงความลำเอียงด้วยอคติ ซิกจูเช่นนี้เราเรียกว่าลัทธิบุคคลลักษณะของซิกจุที่เป็นลัทธิซิกจุที่เป็นลัทธิก็มีคุณลักษณะสามอย่างก็คือไม่แกล้งต้องอาบัตอย่างหนึง่งหรือว่าไม่ปิดอาบัตเมื่อเป็นอาบัตแล้วก็ไม่ปิดบางอาบัตด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีความลำเอียงไม่ลำเอียงเป็นปกตินั่นแหละเพราะว่าผู้ที่ไม่มีความลำเอียงเลยจริงๆก็คือต้องเป็นพระโสดาบันบางครั้งก็อาจมีความลำเอียงเกิดบ้างแต่ว่าไม่ใช่เป็นผู้มีความลำเอียงปกติ นี่ก็เรียกว่าลัทธิบุคคลพระวินัยทรไม่ต้องด้วยความรู้อย่างไรถ้าคนที่ไม่เป็นพระวินัยทรก็จะต้องด้วยความไม่รู้แต่ว่าพระวินัยทรไม่ต้องเพราะว่าท่านรู้คือเพราะเธอผู้รู้อยู่ซึ่งสิ่งอันควรและไม่ควรเพราะฉะนั้นเธอย่อมทําแต่สิ่งที่ควรไม่ทําสิ่งที่ไม่ควรด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าไม่ต้องเพราะความรู้ พระวินยทอนไม่ต้องโดยความเป็นผู้ไม่สงสัยแล้วขืนทำอย่างไรคือเพราะเธอเมื่อเกิดความรังเกียจสงสัยเพราะอาศัยสิ่งที่เป็นกัปปิยะและอกักขิยะก็ตรวจดูวัตถุตรวจดูมาติกาบทภาชนะอันตราบาตณาบาัตแล้วถ้าเป็นกัปปิยะจึงทำถ้าเป็นอกักขิยะก็ไม่ทำด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่าไม่ต้องด้วยความเป็นผู้ไม่สงสัยแล้วขืนทำก็คือไม่ต้องถ้าสงสัยแล้วขืนทำก็ต้อง แต่ว่าท่านไม่สงสัยหรอกเพราะว่าท่านตรวจดูตามวินัยที่ท่านส่งไว้ท่านก็รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกควรทําหรือไม่ควรทําำพระวินัยทรไม่ต้องเลยความเป็นผู้มีความสําคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควรเป็นต้นเป็นอย่างไรคือเพราะเธอรู้อยู่ซึ่งสิ่งที่ควรและไม่ควรฉะนั้นจึงไม่เป็นผู้มีความสําคัญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควรไม่เป็นผู้มีความสําคัญในสิ่งที่ควรว่าไม่ควรและเธอมีสติตั้งมั่นด้วยดีเพราะว่าทรงพระวินัย ต้องท่องต้อ ง, องสวดต้องสาธยายเนี่ยจะทำให้สติมั่นคงด้วยเพราะว่าสัญญาเป็นเ ห, นเหตุใกล้ของสติถ้าทรงจำได้มากก็ทำให้สติเกิดได้มากาก็รู้ว่าอันนี้สิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้มีอาบาัตอาบัตอะไรรู้ละเอียดเพราะว่าทรงจำแล้วก็สัญญาเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของสติที่ร์สัญญาความจำที่มั่นคงนั่เป็นเหตุใกล้ของสติก็ญญญญญญจะทำให้สติตั้งมั่นดีๆก็จะไม่ต้องอบัตเพราะหลงลืมสติอธิษฐาน ผ้าจีวรที่ควรอธิฐานวิกัปจีวรที่ควรวิกับพระวิเนททรชื่อว่าไม่ต้องอาบัติด้วยอาการหกเหล่านี้ด้วยประการอย่างนี้เมื่อเธอไม่ต้องอาบัตย่อมเป็นผู้มีศีลไม่ขาดมีศีลบริสุทธิ์ด้วยอาการอย่างนี้ย่อมเป็นอันเธอคุ้มครองรักษาศีลขันของตนดีแล้วนี่ก็เป็นอนิสงส์ข้อที่หนึ่งของพระวิเนททร์ว่าเป็นผู้ที่รักษาศีลขันของตนได้อย่างดี ถามว่าพระวินัยทรย่อมเป็นที่พึ่งของพวกพิกจุผู้ถูกความสงสัยครอบงำอย่างไรตอบว่าได้ยินว่าพิกจูทั้งหลายผู้อยู่ภายนอกแว่นแควนและภายนอกชนบทเกิดมีความรังเกียจสงสัยขึ้นแล้วทราบว่าได้ยินว่าพระวินัยทร อ, อยู่ที่วิหารโน้นแล้วมาส่งสำนักของเธอแม้จากที่ไกลถามถึงข้อรังเกียจสงสัยเธอสอบสวนดูวัตถุแห่งกรรม ทิสูจน์พวกนั้นทําแล้วกําหนดชนิดมีอาบัต์อนาบัต์ครุกาบัต์คือบัต์หนักและระหุกาบัต์คือบัต์เบาอนาบัติก็คือที่ไม่ต้องอาบัต์เป็นต้นจึงให้แสดงอาบัต์ที่เป็นเทศนคามินีก็คืออาบัติเบาทั้งหลายแสดงได้ให้ออกจากอาบัติที่เป็นวุฒานคามินีก็ได้แก่ผู้อาบัต์สังกัดพิเศษจะต้องอยู่กรรมให้ตั้งอยู่ในความบริุทต์ด้วยอาการอย่างนี้ชื่อว่า เป็นที่พึ่งของพว้พิจุผู้ถูกความสงสัยครอบงำข้อว่าพระวิ น, นัยธรเป็นผู้กล้ากล้าในท่ามกลางสง์มีความว่าจริงอยู่ผู้ไม่ใช่วิ น, นัยทรพูดในท่ามกลางสง์ความกลัวคือความประมาย่อมครอบงำความกลัวนั้นจะไม่มีแก่พระวิ น, นัยทรนพระเหตุไรเพราะรู้ว่าเมื่อพูดอย่างนี้มีโทษพูดอย่างนี้ไม่มีโทษแล้วจึงพูด แล้วก็ส่งพระวินัยไว้ก็ไม่ผิดอาบัติไม่มีใครกล้าที่จะโจดอาบัติแต่ผู้ไม่ได้เป็นพระวินัยถอดจะพูดยังไงก็ไม่รู้พูดผิดพูดถูกก็ไม่รู้มีอาบัตบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครจะมาโจดเราหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าจะพูดในคําว่าย่อมคมเหล่าชนผู้ที่เป็นข้าศึกได้ราบคาบด้วยดีโดยสัทธรรมนี้ชื่อว่าชนผู้เป็นข้าศึกมีสองจำพวกคือผู้เป็นข้าศึกแก่ตนเองจําพวกหนึ่ง ผู้เป็นข้าศึกแก่พระศาสนาจําพวกหนึง่งบรรดาชนผู้เป็นข้าศึกสอนจำพวกนั้นพวกพิตุชื่อเมติยะและภูมิมชกะกับเจ้าลิชวีชื่อวัฏทะโจดด้วยอันติมาวัตถุอันไม่มีมูลแต่พระทัพพระมรรุบุตรชนพวกนี้ชื่อว่าผู้เป็นข้าศึกแก่ตนเองก็คือเป็นข้าศึกเฉพาะตนไม่ได้เป็นข้าศึกแก่พระศาสนาเพราะว่าไม่หวังดีเฉพาะทีพิตรบุคคลเท่านั้นม่ใช่ไม่หวังดีกับพระศาสนา ก็หรือชนผู้ทุศีแม้เหล่าอื่นซึ่งเป็นผู้มีธรรมอันลามกทั้งหมดชื่อว่าผู้เป็นค่าตึกแก่ตนเองส่วนอริษสาพิกษุกันชกะสำเนนพิสุวัชีบุตรชาวเมืองเวสาลีผู้มีความเห็นวิปริตก็คือไปบัญญัติวัตุสิประการมีการรับเงินทองเป็นที่สุดแหละและพวกพิษุฝ่ายมหายานนิกายมหาสังคิกะเป็นต้นซึ่งเป็นผู้มีลัทธิ ปะรูปะหานอัญญางังขาวิตรณะเป็นต้นนี่เขาก็ไปตั้งลทัทธิความเห็นอะไรขึ้นมาคือพระอรหันต์นี้บางครั้งก็ยังมีอัญญาไม่รู้ได้พระอรหันต์บางครั้งก็ถูกมารดนใจทำให้อสุจิเคลื่อนได้บางครั้งพระอรหันต์มีความสงสัยได้บ้างทำการยกย่องกล่าวอ้างทาสอนไม่ใช่พระพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาชื่อว่าเป็นข่าตึกแก่พระศาสนา พระวินัยทรจะข่มขี่ชนผู้เป็นฆาสึกเหล่านั้นแม้ทั้งหมดให้ราบคาบโดยประการที่พวกเขาไม่สามารถจะประดิษฐานอสสธรรมขึ้นโดยสหธ ร, รรมคือโดยคำเป็นเหตุร่วมกันชื่อว่าย่อขมข่มฆาสศึกด้วยดีโดยสหธรรมถ้าเป็นพระวินัยทรนี้ก็สามารถที่จะรบร้างความคิดเห็นที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อ ศ, ศาสนาหรือเป็นฆาสศึกต่อศาสนาได้ ก็ในคำว่าพระวินัยทรชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระศัทธรรทธรรมนี้ศัทธธรรมมีสามอย่างด้วยสามารถแห่งปริยัติปฏิบัติและอธิคมก็คือปฏิเวทตนเองการแทงตลอดการบรรลุบรรดาศัทธธรรมทั้งสมนั้นพระพุทธพจน์คือปีดกสามชื่อว่าปริยัติศัทธธรรมธรรมะคือทุดงคูณสิบสามขันธกะวัตสิบสี่มหาวัตแปดสองชื่อว่าปฏิบัติศัทธธรรม มรรคสี่ผลสี่นี้ชื่อว่าอธิคมสัตธรรมคือการบรรลุนั่นเองบางที่ท่านแสดงกลับกันนะนะบอกว่าขันธวัตแต่สิบสองมหาวัดสิบสี่กลับกันนะนะแต่ว่าความจริงแล้วก็ขันธวัตมีสิบสี่ก็คือพวกอาจารยวัตอุปชัยวัตสถิหาริกวัตอันติวสิกวัตอะไรพวกนั้นส่วนมหาวัดแต่สิบสองก็ได้แก่วัดของปาริวาสิกาพิตรูวัดของมานัตตจาริกะพวก อภ า, าระพระหะพู้ที่ควรแก่อภารหรือว่าพวกที่โอเคปริญญากรรมอะไรทั้นั้นรวมกันแล้วก็จะเป็นมหาวะแปดสิบสองก็มีจำแนกแจก แ, แจงอยู่ในนูน้นในภูพักษ์ขาวบรรานก็มีแจงมาให้เหมือนกันในดีกาลกยังมีแจงมาให้บรรณาสัตธรรมมีปริยัติธรรมเป็นต้นนั้นพระเทเรทั้งหลายบางพวกกล่าวว่าปริยัตเป็นมูลรากของพระศาสนาโดยประสูตรนี้ว่าดูก่อนอนอน ทำและวินัยใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแกเธอทั้งหลายทำและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราดังนี้พระเถระบางท่านบอกว่าปริยัตินี่แหละจะเป็นมูลของพระศาสนาเป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวพระพุทธเจ้ามอบให้หรือว่าให้เป็นตัวแทนของพระองค์ตอนที่จะปรินิพพาน พระเถระบางพวกกล่าวว่าปฏิบัติเป็นมูลของพระศาสนาโดยสูตรนี้ว่าดูก่อนสุภทัทระพิจุทั้งหลายเหล่านี้แลพึงอยู่โดยชอบโลกจะไม่พึงว่างเปล่าจากพระอระหัตทั้งหลายแล้วกล่าวว่าพิจุทั้งหลายห้ารูปผู้ปฏิบัติโดยชอบยังมีอยู่ตราบใดศาสนาจัดว่ายังตั้งอยู่เพียงนั้นดังนี้ก็มีการโต้แย้งว่าปฏิบัตินั่นแหละจึงจะเป็นมูลรากของพระศาสนา ถ้ า, าพระภิกสุทษงหลายถึงเป็นอยู่โดยชอบก็คือปฏิบัติโดยชอบตามอริยามารมณองค์แปก็จะทําให้โลกไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์หรือว่ า, าพระภิสุษ์ที่ปฏิบัติโดยชอบห้ารูปยังมีอยู่ก็ทําให้ศาสนาเ น, นี่ยยังตั้งอยู่เพราะสามารถที่จะบวชให้แก่พิสุทษ์อื่นได้ในปัจจันตชนบทอย่างาพระพิสุษ์ห้ารูปสามารถที่จะบวชได้สามารถบวชแก่กุลบุตรได้ดังนี้ ส่วนพระเถระอีกพวกหนึ่งกล่าวว่าเมื่อปริยัติอันตรธานแล้วแม้บุคคลผู้ปฏิบัติดีก็ไม่มีการบรรลุ ธ, ธรรมก็ไม่มีเครื่องเทียบเทียงะ่ะเวลาปฏิบัติยังมีอุปสรรคเยอะวิปัสสนูปากีเลตเออยันหาอภิชาโทมนัส ต, ต่างๆเข้ามากุ้มรุมปฏิบัติจิตสงบกว่าดีใจอยู่ใดฟงสร้างหรือโทมนัสมีจิตตั้งมั่นรู้เห็นตามความเป็นจริงหน่อยปะโอถือว่าเป็นข้อปฏิบัติได้ดีแล้วก็ มีความพอใจยินดีอันนี้ก็เป็นอันตรายอานาปานสตินนะยินดีในลมที่ละเอียดขึ้นแค่นี้ก็เป็นอันตรายนะต่ออานาปานสติเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติสัมเชิญญอย่างมากแล้วก็ต้องมีปริยัต ด, ดีคอยที่จะตอดส่องคอยเทียบเคียงกับปริยัตตลอดเหมือนกับคนที่เดินทางไกลในทางกั n d านแล้วก็ต้องพกแผนที่ไปไปคนเดียวด้วยนะก็ต้องพกแผนที่ไปพอเดินไปถึงจุดจุดหนึ่งก็ต้องเอาแผนที่งัดออกมาดู เพราะว่ามันลกเรือมันมีทางหลายแแ่งมากก็ต้องเอาแผนที่มาดูแล้วก็เดินต่อไปเดินไปเดินไปเผชิญทางรบทางเรือเจอทางเลี้ยวแล้วก็ต้องเอาแผนที่มาดูอีกนี่ก็เหมือนการการปฏิบัติธรรมก็ต้องมีปริยญญาคอยเทียบเคียงตลอดเพราะว่าคนก็จะตื่นกันนะว่าคนนั้นปฏิบัติได้อย่างนี้อย่างนั้นผ่านขั้นนั้นขั้นนั้นไปแล้วก็ตื่นกันความจริงแล้วควรจะเอาปริยัาตัวน่ะมาแมนะนําว่าพระพุทธเจ้าพระอธิก า, ารอาจารย์ว่าอย่างไร แล้วก็สอนไปตามจะได้ไม่แบ่งเป็นรัฐทีนั้นรัฐทีนี้สำนักนั้นสำนักนี้รพระเถระผู้หนึ่งก็กล่าวว่าเมื่อประยัดอันตรธานแล้วแม้บุคคลผู้เป็นบัต ด, ดีก็ไม่มีการบรรลุธรรมแล้วกล่าวว่าถ้าแม้พิสูุ5ห้ารูปจะเป็นผู้รักษาปาราชิตสี่ไว้ได้พิี่ตูเหล่านั้นให้กุลบททั้งหลายผู้มีศรัทธาบรรชาแล้วให้อุปสมบทแม้ในปัจจันตชนบทให้ครบคณะทั้งสวกแล้ว จักทําการอุปสมบทแม้ในมัชมะชนบทให้พิกจุสงครบวีสติวัคแล้วจักทําอภานกรรมแม้เพื่อตนยังศาสนาให้ถึงความเจริญงอกงามไพบู์โดยอุบายอย่างนี้นักวินัยทรนนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมทั้งสามด้วยประการอย่างนี้แหลบัณฑิตพึงทราบว่าพระวินัยทรนนี้ย่อมได้อนิสงฆ์ห้าอย่างเหล่านี้ก่อนด้วยประการชนิด เพราะฉะนั้นไฟสุตรห้ารูปนั้นน่ะปฏิบัติชอบยังมีอยู่ตราบในแต่ว่าถ้าไม่รู้กรรมวาจาทาไม่สามารถเรียสวดกรรมวาจาได้ไม่รู้ว่าอุปชาอาจารย์จะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อสานุสิตรกสิตรอไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรต่อครูบาอาจารย์<ส>เดี๋ยวก็เสื่อมไม่สามารถที่จะบวชได้สําเร็จด้วยเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ต้องมีปริญญ์ก็คือหลักคําสอนทำสวดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นปริญญ์ทั้งนั้นแหละก็เป็นมูลของพระศาสนาทั้นพระวินัยทรนี้ก็ สามารถที่จะทำลงไว้ซึ่งปริยัติศาสนาแล้วก็เมื่อมีปริยัตเรียนพระวินัยดีแล้วก็ศึกษาทั้งพระธรรมทั้งพระสูตรทั้งพระวิธรรมเจริญสมถไตยศาสนาเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุอริยมรรคผลก็เป็นปฏิเวทอันนี้ก็อันนี้สงห้าอย่างของพระวินัยทรที่ได้ก่อนแล้วถามว่าพระวินัยทรย่อมได้อันนี้สองหกเหล่าไหนตอบว่าอุโบโสถ ปรวรณาสังกรรมบรญชาอุปสมบทเป็นหน้าที่ของพระวินัยถร น, นั้หกอย่างโบสดอย่างหนึ่งปรวรนาอย่างที่สองสังก ร, รมอย่างที่สามบัญชาอย่างที่สี่อุปสมบทอย่าที่ห้าเธอย่อมให้นิสัยนให้สัมเนธอุปถานเป็นอย่างที่หกให้นิสัยกับสัมเนธอุปทานมีข้อเดียวกันจริงอยู่อุโบสถเก้าเหล่านี้คือจตุตสีอุโบสถอุโบสถวันที่สิบสี่ค่ำ ปันนราศีอุโบโสถอุโบสถเปนที่สิบห้าข้ามสามัคคีอุโบสถอุโบสถในเมื่อสองแตกร้าวกันแล้วก็รวมกันเข้าได้สังฆาอุโบสถอุโบสถที่พิกษุสี่รูปร่วมกันทํำเป็นสงตังณติโดยเป็นสุนนาตุเมพันเตสัมโคนี้ก็เป็นยติกรรมก็เป็นสังฆาอุโบสถคณะอุโบสถกับปิกษุสองรูปหรือสามรูปแสดงบริสุทธิ์ตรร่อกัน ปกคณะอุโบโสถก็ได้แก่พิสูุรูปเดียววันอุโบสถนี้ก็เหลือพิกูุอยู่รูปเดียวก็อธิษฐานอุโบสถก็ได้ไม่สามารถจะไปที่อื่นได้า็อธิษฐานอยู่ในตีมาแล้วก็ยังมีสุดเทสะอุโบสถก็หมายถึงอุโบสถที่ส่วนแบบพิสดานเลยส่วนบบพิสดา น, นนี้สําหรับทํากับสงนะแล้วก็ปริสูตรที่อุโบสถอันนี้ก็สําหรับพิสูตรสองสารูปแสดงบริสุทธกิการอธิษฐานอุโบสถก็ได้แก่พิสูุรูปเดียว อยู่รูปเดียวก็อธิษฐานเอาเพราะฉะนั้นอุโบสถเก้าอย่างนี้ก็แบ่งโดยวันวันทำอุโบสถสามอย่างแล้วก็แบ่งโดยบุคคลที่ทําอุโบสถสามอย่างสงคณะแล้วก็บุคคลรูปเดียวแล้วก็โดยอาการที่ทําก็ได้แก่แสดงปฏิโมกโดยพิสดานอย่างหนึ่งแสดงปริุทธิอย่างหนึ่งแล้วก็อธิษฐานอย่างหนึ่งก็รวมเป็นเกอย่างทั้งหมดนั้นก็เนื่องด้วยพระวิ น, นัยทรพระวินัยธรก็จะสามารถเก่งกาจในการทิจาร รู้เข้าใจถึงอุโบสถวิธีกรรมทําอุโบสถนะจากส่วนแบบพิสดารส่วนแบบยอ่อมึงมีภัยมาในตัวตานี้ก็จะรู้และถึงแม้ปรวรรณาก้าเหล่านี้ก็คือจารุตรรรศีปรวรรณาปันนารศีปรวรรณาสามขีปรวรรณาก็เหมือนกันสังฆปรวรณาก็ห้ารูปนะสังฆปรวรณานี้ต้องห้ารูปถึงจะเป็นสงปรวรณาตระกันคณะประวรณาก็สี่รูปสามรูปสองรูปก็ทำปรวรรณาตระกันเป็นคณะ แล้วก็ปุคละปรณาก็รูปเดียวก็อธิฐานปรณนเท่าแล้วก็วิธีการในการปรนานี้ก็ปรนาสามครั้งก็ได้สองครั้งก็ได้ปรนาสามครั้งก็เรียกว่าเตวาจิกะปรณนาปรนาสองครั้งก็เดเววาจิกะปรนาแล้วก็ปรนาที่มีรรษาพร้อมกันภาษาเดียวกันภาษาเท่ากันสมานวัสิกาปรณาสมานวัสิกาปรนาภาษาเท่ากันก็ปรนาพร้อมกันเลยก็จะได้ รวดเร็วนี่พระภิตุมากแม้ปราวณาเหล่านั้นก็เนื่องด้วยพระวิเนทอนทีเดียวภาวนาเก้าน้นเป็นสมบัติของเธอเธอเป็นเจ้าของภาวณาเหล่านั้นอยู่ลาที่จะตั้งนิติกรรมแล้วก็วิธีการแนะนำอะไรต่างๆนี้ก็พระวิเนทอนก็สามารถที่จะชำนิชนานาญรู้ได้ดีกว่าคนอื่นถึงสังคกรรมทั้งสี่คือ อัปโรกนกกรรมยติกกรรมยติทุริยกรรมและยติเจตุจกรรมเป็นของเนื่องด้วยพระวินัยทอพระวินัยทรก็รจะรู้เข้าใจจะทําอะไรต้องใช้อัปโรกนกกรรมหรือว่าจะใช้ยติกกรรมยติทุริยกรรมหรือว่าเจตุตจกรรมือแล้วแต่ท่านก็จะรู้จะแนะนําเธอเป็นอุปชาแล้วกระทาการบรรประชาและอุปสมบทแก่กุลบุตรทั้งหลายกรรมแม้เหล่านี้เป็นต้นเนื่องด้วยพระวินัยทรทีเดียว จิงอยู่แม้ิกตุอื่นถึงทรงสองปิฎกก็คือทรงทั้งพระสุตตันตปิฎกกับพระอภิธรรมปิฎกก็ไม่ได้เพื่อทํากรรมนี้เลยไม่ใช่จะสามารถที่จะให้ทําการบัญชาแล้วก็ให้อุปสมบทได้ถึงทรงสองปิฎกเธอเท่านั้นให้นิสัยและให้สามเณรอุปทาภิกตุอื่นย่อมไม่ได้เพื่อจะให้นิสัยย่อมไม่ได้เพื่อจะให้สามเณอุปทาก็คือต้องมีพรรษาศึ ข, ขึ้นไป เป็นสาสิบแล้วก็ต้องทรงพระวินัยก็คือจะต้องได้วิพังทั้งสองเลยเน้่ยแต่พิขุวิพังพิคุนีวิพังแล้วยังต้องมีความรู้ในนิกายห้าอีกต้องมีความรู้ในพระสูตรนิกายห้านั้นตามจมํานวนที่ได้กําหนดไว้ในปริสุ ป, ปะกะทิสุที่ฉลาดเนี่ยในโอวาทพิคุนิวัคในโอวาทสิกขาบท จะแสดงไว้พิสุฉลาดสามประเภทพู ด, ดีพ น, นิสยัสยใส่มุจเจน ก, กะแล้วก็ปริสูปกะแล้วก็พิกุลวาทะ์คือที่สอนพิเศีพูดที่จะพ น, นิสัยต้องห้าภาษาแล้วก็ได้ปาฏิโมกทั้งสองแล้วก็จะต้องมีความรู้มีความสามารถในการจัดนุมโมทนาในการแสดงตามตำรุกระสูดจํานวนเท่านั้นเท่านั้นท่า น, นก็จะแสดงไว้จึงสามารถจะพ น, นิสัยได้นะกำลังท่ 5, าภาษาแต่ว่า ที่แน่นอนคือต้องได้ปาติโบก ค, คือมาติกาทั้งสองแล้วก็ยังมีข้อเดิมๆรู้ว่าบาัตรอนาบาัตรอะไรต่างๆส่วนที่สูตรที่จะให้นหิสัยให้ธําเนียรุปทานนี้ต้องสิบปันสารขึ้นไปแล้วก็ได้วิพังทั้งสองหมายถึงปาติโบกนั่นแหละเอามาแจกแจงไดอย่างละเอียดเลยพิคุวิพังพิคุณีวิพัง์แล้วก็รู้ประสูตรนาฮาริกาอิทธ์มีจํานวนเท่าที่กําหนดไว้แล้วก็ ถ้าเป็นผู้ที่สอนพิจตุรีก็จะต้องยี่สิบปัญชาติยี่สิบปันาและก็ต้องมีคุณสมบัติทรงว่าไตบิดกอยู่ในทางเราแสดงไว้นี่ถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดผู้ที่สามารถเพราะพราะผู้มีพระภาคทรงห้ามไว้ว่าดูความพิจตุทั้งหลายอุปชารูปหนึ่งไม่พึงให้สํามณีนสองรูปอุปทานรูปใดให้อุปทานรูปนั้นต้องบัตทุกกฎเป็นอุปชารูปเดียวแต่ว่าจะให้สัมนณีสองรูปมาอุปทานไม่ได้เกิดปัญหา หรือว่าเกี่ยงงอนกันหรือวก็ทะเละาะแปรแหวงกันดังนี้แม้เมื่อจะทรงอนุ ญ, ญาตอีกทรงอนุญาตให้สามเณรอุปทาแก่พิจุผู้ฉราดทีเดียวตามพระบาลีว่าดูก่อรพิจุทั้งหลายเราอนุญาตให้พิกจุชาราผู้สามารถรูปเดียวให้สามเณรสองรูปอุปถาคได้ก็หรือว่าพิกจุรูปใดสามารถเพื่อจะโอว่าสั่งสอนสามเณรจํานวนเท่าใด เราอนุญาตให้สามเณรจำนวนเท่านั้นอุปถากได้มีก็หมาถึงที่สุผู้ฉลาดผู้สามารถคือต้องติดปังศาขึ้นไปแล้วก็มีวิพัง์ั้งสองมีคมุณสมบัติอื่นๆอีกอันหนึ่งที่สุผู้หวังการให้สามเณรอุปถาให้สามเณรถืออุปัชาในสำนักของพระวินัยทรแล้วย่อมได้เพื่อยินดีวัดปฏิบัติถ้าเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติไม่ฉลาดไม่สามารถแต่ยินดีวัดปฏิบัติหรือว่า ไปให้นีสัยให้สาเนนอุปถาจะมีโทษมีอาบัต ด, ด้วยในสังฆกรรมมีอุโบสถกรรมเป็นต้นนี้การให้นีสัยและการให้สาเนนอุปถาเป็นองค์เดียวกันองค์ห้าอย่างแรกไอ้นนสองห้าอย่างก่อนไอนน้สงห้าอย่างก่อนได้แก่อะไรบ้างไอนน้สงห้าอย่างก็คือเป็นผู้ที่ รักษากองศีลของตนน่ะศีลขันรักษาไว้อย่างดีได้ศีลขันของตนเป็นอันคุ้มครองรักษาดีแล้วข้อที่สองก็เป็นผู้ที่เป็นที่พึ่งของพู้ปิตรุ้ผู้มักระแวงสงสัยข้อที่สามเป็นผู้ก ล, กล้าในการพูดท่ามกลางสงข้อที่สี่คมลาวชวนผู้เป็นท้าสึกทั้งแก่ตนเองแล้วก็ทั้งแก่พระศาสนาได้อย่างราบคาบได้ดีโดยธรรมข้อที่ห้าก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระศัทธรรมให้สงห้าข้อนี้ รวมกับไอสองข้อหนึ่งในไอสองหกก็คืออะไรรวมว่าได้ไอสองจากฉลาดมันผู้รู้วิธีการทําอุโบสถโบสถนั้นเป็นของเธอเป็นสิทธิของเธอในการที่จะจัดแจงเป็นหกข้อไอสงเจ็ดก็รวมกัไอสงสองก็คือทั้งอุโบสถทั้งปรณนานั่นแหละก็เป็นสิทธิของพระวิัยธร รวมกับไอ้สองสามข้อเป็นแปดก็คือทั้งอุโบสถทั้งปรณาแล้วก็ทั้งการทําสังฆกรรมต่างๆก็เป็นสิทธิของพระวินัยทรแล้วก็รวมกับอานิสงส์สี่ข้ออีกสี่ข้อก็เป็นเก้าก็คือทั้งอุโบสถทั้งปรวรรณาทั้งสังฆกรรมทั้งการบรรชาสามเณรก็เป็นหน้าที่ของพระวินัยทอ ร, รวมกับไอ้สองห้าข้อ ก็คือทั้งอุโบโสถปรม า, าทั้งสังฆกา ร, รบรรชาทั้งอุปสมบทพระพิสูจด้วยก็เป็นหน้าที่ของพระวินัยทอนนั้นแล้วก็รวมกับอานิสง์ทั้งหมดเลยหกข้อนั้นก็จึงเป็นสิบเอ็ดด้วยประการดังกล่าวานี้บุคคลผู้ทรงวินยัยบัณฑิตพึงทราบว่ายอมได้อานิสงฆ์ห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดข้อเก้าข้อสิบข้อและสิบเอ็ดข้อด้วยอาการอย่างนี้ บัณฑิตเมื่อปราถนาอานิสง์แห่งความเป็นพระวินัยทรมีศิลขันของตนเป็นอันคุ้มครอดีแล้วเป็นต้นโดยประการนางกล่าวแล้วและความเป็นผู้ฉลาดในพระวินัยพึงทําความภาคเพียรในวินัยสังฆานี้บ่อยๆในการทุกเมื่อเถิดกระถาวิริชัยเรื่องเบตเตเลตเป็นต้นในบาลีมุตตะวิริยวินิชไชสังหะจบแล้วจบวิริยสังหะบริบูรณ์ นิคมคาถาก็คําสรุปคําสรุปคําลงท้ายของพระสารีบุตรเถระข้าพเจ้าก็คือพระสารีบุตรเถระชาวลังกาอันพระเจ้าปรักกามพาหุผู้เป็นจอมนรารชนแห่งชาวสีหนทรงปรารถนาเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระศิษธรรมผู้ทำความรุ่งเรืองให้เกิดแก่พระาศาสนาอารัธนาแล้วข้าพเจ้าเมื่ออยู่ในวัดชื่อเชตวัน ที่พระเจ้าปรัตรมะพาหุสร้างถวายอันประดับด้วยร้อยแห่งปราสา์เกินกลอนไปด้วยหมู่ปฐมชาติต่งตางๆเป็นสถานที่ยังจิตให้ยินดีในการภาวนาสมบูรณ์ด้วยน้ำอันเย็นสนิทได้แต่งวินัยะสังคหะอันเป็นสาระอันเป็นประโยชน์แก่พระโยคีทั้งหลายไว้แล้วบุญใดที่เกิดขึ้นจากการรจนาวินัยสังขะนี้และบุญอย่างอื่นที่ท้าพเจ้าขวนขวายแล้ว ด้วยอนุภาพแห่งบุญนี้ในอัตภาพที่สองแต่อัตภาพนี้ไปข้าพเจ้าพึงบันเทิงในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นผู้ยินดีในสีและอาจาระไม่ติดในการมาคุณทั้งหลายบรรลุแล้วซึ่งโสดาปติผลอันเป็นผลที่หนึ่งในอัตภาพสุดท้ายขอข้าพเจ้าได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเมตไตรผู้เป็นมุนีอันประเสริฐเป็นบุคคลที่เลิศที่สุดในโลก เป็นนาถะของโลกเป็นผู้ยินดีในการเกื้อกูลสรพสัตได้ฟังพระสัทรธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นผู้เป็นนักปราชญ์แล้วบรรลุผลอันเลิศเมื่อบรลุผลอันเลิศแล้วพึงยังพระศาสนาของพระชินเจ้าให้งามเถิดอันนี้ก็เป็นคําปรารถนาเป็นคําลงท้ายแล้วก็เป็นคําปรารถนาของพระสารีบุตรเถระที่ได้รจนาคำพีวิญญาณสังขารนี้ ท่านทั้งหลายก็ได้ฝังพระวินัยซึ่งเป็นพระวินัยโดยย่อซึ่งท่านผู้ที่มีศรัทธาเป็นพระศิริชาวศีลํงการได้รจนาไว้ด้วยอายสองการฟังพระวินัยซึ่งเป็นมูลเป็นรากของศาสนาก็จงเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้ศรัทธาในพระธรตรายยิ่งขึ้นได้รู้ถึงความบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โดยย่า ก็ขอให้ได้อบรมวิริยะสติสมาธิปัญญาอันเป็นอินรี่ห้าอันบังเกิดจากศรัทธาเป็นมูลขอให้เจริญด้วยไตรสิกขาอันพระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วอบรมอริยมรรอยองแปะเพื่อประชุมพร้อมแห่งโพธิปัจยธรรมได้ ต, ตรัสรู้เป็นพระอริยสาวกของมัสมาสาสุมิตรเจ้าในชาตินี้ตราบใดที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันยังเวียนาหวใจเกิดอยู่ในวัตฏสงสารก็ ขอให้เกิดในประเทศอันสมควรได้พบกัิยาณมิตรในความพระศักดิธรรมแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าได้พบพระสิยริยเมตรายด้วยก็ดีมากๆเลยก็จะได้พบกับภาษารีบุตรซึ่งท่านปรารถนาจะพบพระสิอริยเมตรายด้วยนะแต่ว่าท่านปรารถนาจะบรรลุกันพระโสดาปันกองแล้วก็ในชาติสุดท้ายก็ขอพบพระสิอริเมตรายได้ตัดสรุปพระอรหันแล้วก็ได้ช่วยจันทร์ลงมัศาสนาของพระพรุทธเจ้าให้บรรลางก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ ตัศรู้ตามท่านพระสารีบุตรเถระแต่ว่าตัสรู้ชาตินี้ก่อนก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะอย่ารอหวังชาติหน้าเลยเพราะว่าอาจจะเป็นความตั้งเนิร์ช้าเกินไปนะควรจะตั้งความปรารถนาให้บรรลุได้ในชาตินี้เลยก็ขอให้ท่านบรรลุมรรคผลโดยพันในชาตินี้สาธุสาธุสาธุาธอะนุโมทามิ